น, นักปฏิบัติทั้งหลายรงคำหนึงถึงพระโอวาทของพระโพติจาที่ทรงสั่งสอนพระสาวกในครั้งพุทธกาลหรือสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นทรงเน้นหนักลงในงานที่จะหรือถอนสิ่งที่รักกุงลัง ฝังอยู่ภายในจิตใจมาทำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดมาด้วยความเกิดแก่เิดตายอันเป็นผลของสิ่งที่รบกุมหลังนั้นคือกิเลสประเภทต่างๆพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนวิธีการงานที่จะอถอนสิ่งเหล่านี้แก่ภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้น ไม่มีงานใดพระโอวาทใดที่พระองค์จะทรงหนักแน่นหรือเน้นหนักลงยิ่งกว่าการสั่งสอนพระสงค์เพื่อให้เห็นโทษเห็นภัยในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจของตนของตนซึ่งมุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุกข์อยู่แล้วให้เห็นอย่างเต็มใจนี่เป็นลําใหญ่ของพระโอวาทคําสั่งสอน ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างยิ่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือพิกสิบริษัทซึ่งพร้อมแล้วที่จะออกแนวรบเพื่อชัยชนะในสิ่งที่เป็นค่าสึกษัตรูต่อตนเองใม่แก่ทิเลสประเภทต่างๆมีเป็นการเป็นงานอันสำคัญมากแม่พระองค์เองก็ ทรงถือเป็นภาระอันใหญ่หลวงมากทีเดียวไม่ปรากฏว่านับแต่ขณะที่พระองค์ทรงสเสด็จออกทรงพนุว่าได้ทรงทำกิจการงานใดๆนอกเนื้อไปจากงานปราบปรามสิ่งที่เป็นฆาติสิทอยู่ภายในประทไทยเท่านั้นการหวังความจับสลากก็คือหวังความพ้นทุกการหวังความพ้นทุก พ็ต้องฝ่าฟันสิ่งที่เป็น้าศึกสัตว์รูอยู่ภายในพระองค์ให้ขาดไปโดยลำดับลาดับเป็นสายทางที่ราบรื่นลีงาต่อความพ้นทุกข์ด้วยการประพติปฏิบัติแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นสยามผูจะพึงรู้เองเห็นเองจึงไม่มีครูเมียอาจารย์ใดทรงที่แนะนำ มีถวายพระอาวาทเจพระองค์ทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองรู้สึกว่าลำบากมากอยู่ไม่น้อยผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดางานที่ไม่เคยทำหรือทางไม่เคยเดินแต่อย่างไรก็ตามความมุ่งมั่นของพระองค์นั้นมีอยู่กับงานเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเชื้อแห่งวัฏจักรเรื่องพาจัดให้ หมุนเยียนเกิดแจเกเจ็บตายอยู่นี้เป็นสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดนับแต่วันทรงประนนดจนกระทั่งถึงวันตรัสสรุมีแต่งานนี้ลนล้วนสำหรับพระพุทธทเจ้าของเราที่ทรงดำเนินมาจนได้ตรัสสรุเป็นศาสราเอกของโลกขึ้นมาก็เพราะงานนี้สำเร็จกิเลสขาดสวันไปจากพระไทยไม่มีเหลือหลออยู่แม้นิดเดียวการที่กิเลส แต่ละประเภทจะขาดหรือดูดลอยไปนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เกิดจากการรื้อถอนการฟาดฟันหันแหลกด้วยงานคือการต่อสู้กับยิเรทุกประเภทนี่พระองค์ถือเป็นงานใหญ่โตมากเนื้อชีวิตของพระองค์เองหากว่าจะทรงสิ้นพระชนในเวลาบำเพ็ญก็ไม่ทรงเสียดายชีวิต วความมุ่งมั่นในความอดทนและอันดับต่อไปคือความเป็นศ า, ศาสดาของโลกเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความมุ่งมั่นอื่นใดการบำเพ็ญของพระองค์จึงเป็นไปด้วยการปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลังจากได้ศาสตร์รู้แล้วทรงนำพระโอาวาทมาสั่งสอนบรรดาสัตว์มีภิกษุเป็นต้น ก็ทรงเน้นหนักลงในงานที่พระองค์ทรงบำเพ็ญและได้เห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วนี้ทั้งนั้นพระองค์ไม่ทรงชมเชยในกิจการงานใดๆสำหรับสมณะผู้เป็นนักปวดอยู่แล้วว่าให้ทำสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนี้หรือกิจนั้นดีงานนั้นดีนอกจากความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะ โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดพระองค์ไม่ให้ท้อถอยในการบำเพ็ญในการต่อสู้นั่งอยู่ก็ต่อสู้ยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียสลับเท่านั้นเป็นท่าต่อสู้ของนักรบอยู่ด้วยความมีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตัวมีสติเป็นเครื่องระมัดระวัง สิ่งที่จะเป็นค่าสึกเพิ่มขึ้นอีกภายในจิตใจเพราะกามลำพังก็มีอยู่แล้วบรรดาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้เต็มหัวใจจึงไม่ประสงค์ที่จะสั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้มากมูลขึ้นไปยิ่ยงกว่าการถอดถอนให้หมดไปโดยลำดับเท่านั้นผู้ปฏิบัติ จึงควรถือเป็นกิจจาเป็นอย่างยิ่งในงานเพื่อถอดถอนกิเลส ข, ของตนท่านพูดเป็นส่วนใหญ่ไว้ว่าความโลภความโกรธความหลงหรือราคะตัณหาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นประเภทใหญ่ๆของค่าศึกเรียกว่าเป็นจอมทับด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่มีจอมทำ เข้าสู่จอมทัพคือกิเลสประเภทต่างๆแล้วก็ไม่หวังชัยชนะได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่ากองทัพก็คือค่าศึกกองใหญ่หลวงมากมายกองทรรมก็คือการประกอบความเพียรด้วยอุบายวิธีต่างๆมีสติปัญญาเป็นเครื่องกากับรักษาจิตใจตนอยู่โดยสม่ำเสมอมีท่าทางแห่งการต่อสู้ต้านทานกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่หยุดหย่อน ไม่ว่าจะิยาบทใดท่าใดให้เป็นผู้มีสติสตังหมุนอยู่กับงานของตนที่ต่อสู้กับค่าศึกนี้เท่านั้นไม่เห็นงานใดที่จะวิเศษวิโสยิ่งกว่างานถอดถอนขีดอาสวะเพื่อหลุดพ้นไปถึงความวิเศษดังพระพุทธเจ้าทรงเป็นมาแล้วและประธานพระโอวาทไว้เพื่อเป็นให้บรรดาจับทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วย นี่เป็นหลักสำคัญของพระเราเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัตินี่เป็นของสำคัญมากให้พึงคำหนึ่งถึงงานของตนอย่าให้ยืดเยื้อไปนานเรื่องการเกิดแก่เจิตายนั้นไม่เป็นไปจากอันใดเป็นสาเหตุนอกจากกิเลสสามสี่ประเภทซึ่งเป็นจอมทัพที่เท่านั้นจอมทับจอมศัตรูก็คือกิเลสประเภทนี้ ย่ำยีตีแหลกจิตใจใ ห, หากเป็นของไม่ทนทานก็ละเอียดเป็นผุยผงไปเป็นเวลานานแล้วแต่นี้เพราะจิตเป็นของทนทานมากทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่คิปหายไม่สลายไม่ทำลายเหมือนสิ่งทั้งหลายจึงพอทนอยู่สืบต่อพวกชาติมาได้ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชา บีบบี้สีไฟมาโดยหลักกระทั่งปัจจุบันนี้เราไม่ควรสงสัยเรื่องภพเรื่องชาติเพราะจิตนี้เป็นตัวประกันแห่งภพชาติอยู่แล้วโดยหลักธรรมาชาติของมันที่มีเชื้อพาให้เกิดอยู่ภายในตนนี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่มีอยู่กับจิตเป็นสักขีพยานอยู่แล้วเราจรึงไม่ควรสงสัยในเรื่อง การเคยเกิดแจ่เก็บตายมาแล้วหรือไม่เพราะธรรมชาตินี้เคยเป็นมาแล้วเนื่องจากธรรมชาตินี้ไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะพาสัตว์ให้เกิดแจ่เก็บตายหมุนเวียนจิตใจของสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความลำายากลำบาก ในพบน้อยพบใหญ่อยู่ตลอดมาเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรสงสัยการที่จะแก้กิเลสประเภทต่างๆออกจากจิตใจด้วยงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แล้วนั้นเป็นภาระเฉพาะหน้าของเราไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดแม้ทั้งสามแดนโลกธาตีจะมาช่วยภาระทุรังของเราให้เบาลงไป หรือให้หมดสิ้นไปได้โดยเราไม่ต้องประกอบงานซึ่งเป็นความจําเป็นจำเพาะเราอยู่นี้เลยต้องเป็นหน้าที่ของเราอย่างเดียวเท่านั้นหนักหรือเบาก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องต่อสู้แบกหามอย่าลืมพระอาว่าที่ทรงสั่งสอนพวกเราซึ่งเคยได้พูดให้ฟังเสมอเบื้องต้นท่านมอบงานไม่กี่ชิ้นให้พวกเราพอให้ เป็นปากเป็นทางได้ยึดนั้นเป็นหลักของงานแล้วจะกระจายไปอีกไม่มีสิ้นสุดยุติเมื่อสติปัญญาได้ปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะการประกอบความปับเพียนหรือผิดสติสติปัญญาอยู่ด้วยความเพียรของตนโดยสม่ำเสมองานเหล่านี้ก็จะชัดแจ้งด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรา เบื้องต้นในขณะที่บวชท่านทรงสอนว่าเกซ่าลมาณขาทันตาตะโจตะโจดันตานฆ่าลมาเกซาทำไมท่านจึงสอนอย่างนี้ทุกรูปทุกนางเว้นเสียไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าอุปชาญบงใดจะชอบกรรมฐานไม่ชอบกรรมฐานก็ตามเวลาบวชกุลบุตรจำต้องสอน กรรมาฐานห้านี้ให้เพื่อเป็นงานหรือเป็นศาสตราอาวุธอันหนึ่งเพื่อฟาดฟันหั่นแหลกกับความรักความชอบความลห ล, ลงไหลในสิ่งที่กล่าวนี้นี้จริงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเป็นเราจะเทียบแล้วก็หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกหนักอึ้งยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูก สิ่งเหล่านั้นสามารถจะทําลายได้ด้วยเครื่องมือต่างๆจนกระทั่งราบเป็นหน้ากรองก็ได้ไม่นานนักเลยแต่เราจะทําลายก้อนภูเขาภูเหล่าซึ่งยึดมั่นถือมั่นสําคัญมาเป็นเวลาตั้งกับตั้งการ น, นี้ทําลายได้ยากมีผู้นายบ้างที่สามารถทําลายสิ่งเหล่านี้ลงได้โดยไม่ต้อง ยากลําบากอันใดเลยหรือไม่มีผู้ใดแนะนําตัเกเตือนสั่งสอนวิธีการทําลายย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าสาวกได้แก่ผู้สดัตวจับฟังจากพระพุทธเจ้าจนทราบอุบายวิธีการต่างๆแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติต่อตอนเองตามอุบายวิธีที่ท่านสอนนั้นจึงจะเข้าใจไปโดยลํำดับในกิจการงานหรือหน้าที่ของตน น, นั้นๆผมเช่นเล็ก แต่มันใจโตอยู่กับความมืดตื้อของกิเลสครอบงำความจริงเอาไว้เสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใค่ชอบใจซึ่งเป็นสิ่งปลอมแปลงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความจริงนี่เพียงเกษารลมาเท่านี้ก็หนาแน่นขนาดไหนกําแพงเจ็ดชั้นเขายัางทำลายได้ครู่เดียวยามเดียวอันนี้มันหนายิ่งกว่านั้นอีก จึงไม่สามารถจะทำลายลงให้ถึงความจริงได้อย่างง่ายง่ายนักขาทันตาตะโจอ้าวไปถึงวรรสุดท้ายนังเป็นสิ่งที่หนาเมื่อไรถ้าตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าเชื่อตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วจะไม่ยากลำบากอันใดเลยเพียงผิวๆของมันก็เต็มไปด้วยของปฏิคุณโสโครบอยู่แล้วด้วยหลัก ธรรมชาติของมันตามธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้นี่คือความจริงแต่จิตใจของเรามันบิดเบือนไปต่างๆเพราะกิเลสพาให้บิดเบือนกิเลสพาให้เสกสา ร, รกิเลสพาให้พริกแพลงพกิเลสพาให้ต่อสู้กิเลสพาให้กำบังของจริงทั้งหลายไว้เอาแต่ของปลอมมาหลอกลวงมาหลอกล่อหลอกลวงคนซึ่งหลงอยู่แล้วด้วยอํานาจของกิเลสให้หลงเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้น ก้อนเล็กๆเพียงก้อนรูปประขันเท่านี้ทั้งที่สติปัญญาของเราก็มีแต่ไม่เคยสนใจที่จะนำมาใช้นำมาคลี่คลายนำมาฟาดฟันหันแบลกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่ออยู่ด้วยความสำคัญว่าสวยว่างามว่าเราว่าของเราว่าตนตัวเราเขาให้แต่กระจายลงไปสู่หลักความจริงคือเป็นของปฏิกูลบ้าง เป็นอนิจจังทุกขังนาตาบ้างประจักษ์ใจตามหลักธรรมชาติที่ธรรมสอนไว้แล้วนั้นเพียงเท่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะทําได้ย่อเรียกว่าเพียงรูปประคันของเราแต่ละท่านลคนนี้เท่านั้นมันก็ใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลกูกไม่สามารถที่จะทําลายได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนในจุดนี้อันเป็นจุดสําคัญกิเลสก็เกิดขึ้นจากจุดนี้เกิดขึ้นจากความรักความชอบใจ ความชังก็เป็นกิเลสเพราะความชังไม่ใช่เรื่องของธรรมความเกลียดความโกรธความรักความชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลห้อมล้อมอยู่ภายในร่างกายและจิตใจนี้จนหาทางออกไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสอนวิธีการอนุโลมปฏิโลมย้อนหน้าถอยกลับไปมาอยู่ด้วยความมีสติบริกรรมบทใดก็ให้ จิตจดจ่อต่อเนื่องกับคำบริกรรมและวัตถุที่ตนบริกรรมเช่นเกษาโลมาณนาขาทันตาตะโจอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับสิ่งนั้นๆหรือจะแยกพิจารณาออกเป็นสัตว์เป็นส่วนตามความจริงของมันที่มีหลายอาการด้วยสติปัญญาก็ไม่พ้นที่จะทราบไปได้ถ้า ความพอใจความเชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ภายในจิตใจไม่ถูกถกิเลสฉุดลกให้แตกกระเจิงไปหมดเรือตั้งแต่ความจองปลอมซึ่งเป็นหลักเป็นแก่นอยู่ภายในจิตใจแสดงออกมามีแต่ความรักความชอบใจความน่ากำนัดยินดีไปเสียหมดหรือนอกจากนั้นก็เป็นความเกลียดความโกรธไปในทางของกิเลสเกียทั้งหมดแล้วจะเห็นของจริงเจอของจริงได้ที่ไหน เพราะความรู้ความเห็นอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี้เป็นเครื่องปิดกั้นกำบังความจริงในหลักธรรมชาติอันเป็นธรรมแท้ไว้อย่างมิดชิดติดอยู่กับใจของตนตลอดเวลาไม่มีเวลาแยกแยะพอให้มองเห็น ย, ย, ย, ยิบยับเหมือนฟ้าแลบบ้างเลยเนี่หลักใหญ่ยังเป็นสิ่งที่เราจะควรเน้นหนักทางความเพียรลงสู่จุดนี้ให้เป็นที่เข้าใจตามหลักแห่งสวคาตธรรม ว่าตรัดไว้ชอบแล้วนั้นชอบจริงๆความไม่ชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลความฝืนความจริงตามหลักธรรมที่สอนไว้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พึงทราบว่ากิเลสเป็นผู้ฉุดลากกิจจาวกิจใจของเราไปทั้งที่กําลังประกอบความเพียรในท่าต่างๆแต่ก็เป็นเรื่องของพ้นกิเลส เรื่องของกิเลสไปไม่ได้ที่จะฉุดจะลากออกนอกรูกนอกทางให้ปีนเกลียวกับธรรมและเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อตอนเองในขณะเดียวกันเกงไม่เห็นเหตุเห็นผลอันเป็นความจริงขึ้นมาจากการพิจารณาหรือภาวนานั้นเลยนี่เป็นหนักสําคัญแห่งการปฏิบัติด้วยเหตุนี้จงพากันพิจารณาในจุดที่กล่าวนี้จำทั้มสักๆมีสติอยู่กับตัวเพิจารณาอันนี้ อยู่โดยสม่ำเสมออยาเข้าเข้าใจว่าพิจารณาแล้วหลายครั้งหลายหนไม่เป็นของสำคัญไม่มีความหมายในสิ่งนั้นความหมายอันแท้จริงคือพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายของเหล่านี้นี่เป็นของสำคัญ <c oughs> นี่ละงานนี่แหละเป็นงานชิ้นเอกของนักปฏิบัติเรา ให้ถืองานนี้เป็นสําคัญถืองานนี้เป็นชีวิตจิตใจทุกเอยาบทความเคลื่อนไหวไปมายาได้ลืมงานของตอนนี้ซึ่งเป็นงานถอดถอนค่าสึกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายใจิตใจซึ่งอันเกิดขึ้นจากความรักใคร่ชอบใจอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของเกศทั้งหลายได้ถอดถอนออกมาจากการด้วยการพิจรารณาโดยทางสติปัญญาของเราให้ถึงหลักความจริงที่ทั้ง ว่าอันนี้จังทุกขังหน้าตาหรือปฏิปูณโศกโให้เห็นตามความจริงอย่างนี้การพิจารณาตามที่ท่านทรงสอนไว้แล้วนั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะรู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นงานนี้เป็นงานสำคัญอย่าให้จิตทะเลถลายไปรักใครชอบใจกับงานอื่นใดนอกจากงานเครื่องถอดถอนกิเลสเท่านั้น นี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายการกำหนดที่จะให้จิตมีความสงบก็ต้องใช้บังคับบัญชาด้วยสติไม่มีสติงานใดก็ตามจะเป็นงานที่ราบรื่นดีงามได้ผลเป็นที่พึงพอใจไปไม่ได้สติจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสาหรับกำกับงานทั้งหลาย การพิจารณาทางด้านปัญญาก็ถือเอาเรื่องธาตุเครื่องขันไม่ว่าภายนอกภายในเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันรูปเขารูปเราเป็นเหมือนกันมีหนังห่อกระดูกอันเดียวกันหนังเท่านั้นแหละเป็นเครื่องปิดกําบังให้ฝ้าฟางอยู่เวลานี้คลี่คลายข้างในออกมาข้างนอกพิกดูให้เห็นชัดเจนมีอะไรบ้างในเนี่ยท่านจึงสอนว่า ตาโจแล้วย้อนกลับทันทีเพราะหนังเป็นสิ่งจำเป็นมากห่มห่อไว้พิบางๆเท่านั้นก็หลงเมื่อพิมข้างในออกมาข้างนอกแล้วก็จะทราบความพิงข้างมาแล้วลึกเข้าไปเท่าไรยิ่งเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนาเป็นของปฏิกูลโสโครกไปหมดเหตุใดจึงกล้าจึงหาเอานักหนาว่าเป็นที่รักใคร่ชอบใจว่าเป็นเราเป็นของเราหนังก็เป็นเราผมก็เป็นเรา กระดูกทุกชิ้นของปฏิกูลโสโครกขนาดไหนจนมองดูไม่ได้ยังมาถือเราเป็นมาถือเป็นเราเป็นของเราอยู่ไม่อายบ้างเหรืออายตัวเองนเนี่ยกิเลสมันหลอกลวงคนมันหลอกถึงขนาดนี้เคยหลอกมานานแล้วนี่เราจะหรือถอนสิ่งหลอกลวงปิดบังความจริงทั้งหลายไว้นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรของเราให้เห็นไปโดยลํำดับลาดา วิริยดจะค่อยหมดไปความสำคัญมั่นหมายต่างๆจะค่อยหมดไปโดยลําดับถ้านําสวดคาธรรมกับเวทเจ้าเข้าไปแยกแยะไปคลี่คลายจะไม่พ้นจากหลักความจริงนี้ไปได้เลยบรรดาพระษาวกทั้งหลายที่ท่านบรรลุถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้พิจารณาคลี่คลายภูเขาภูเรา อ, อันหนาแน่นไวโดยสิ่งสกโปกโสมลทั้งหลายแต่ได้ถูกเสกสรรอำนาจถงกิเลสว่าเป็นของสวยของงาม แล้ยึดมั่นถือมั่นนี้ท่านได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่ผ่านนี้ซะก่อนจะพ้นไปไม่ได้ค่าความยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่นี่อันที่เดียวอุปาทานไม่หลงซะก่อนไม่ยึดนี่เราจะถอดถอนความหลงให้เป็นความรู้ตามหลักความจริงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ม่าสิ่งใดย่อมหายสงสัยทั้งภายนอกภายในงานนี้เป็นงานสําคัญอย่าสนใจกับงานอื่นใด ผมเป็นห่วงมูเพื่อนมากในเรื่องเกี่ยวกับงานต่างๆมักจะทะเลส่วนมากมักจะทะเละลายออกนอกลู่นอกทางของงานที่จาเป็นไปเที่ยวรูปเที่ยวคาในงานที่ไม่จำเป็นจนกลายเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วยังทะเลถลายคิดไปอีกหลายแง่หลายทางอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสอีก หามว่าสร้างบารมีบ้างหามว่าทําประโยชน์ให้โลกบ้างอันโลกนั้นนะ่ะประโยชน์ไหนที่จะดียิ่งกว่าการชาระจิตใจการอบรมจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงรู้ชอบอัดชอบทําทั้งหลายจนเป็นกลายเป็นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วนําความจริงอันถูกต้องดีงามร่มเย็นเป็นสุขที่สุดภายในจิตใจของตอนนี้ไปสั่งสอนโลกอันไหนจะมีคุณค่ามีราคามีน้ําหนักมากกว่ากันกับเรื่องภายนอกที่นํา ไปที่ทำลงไปนั้นว่าทำประโยชน์ให้โลกแม้แต่ทำประโยชน์ให้ตนยังไม่เห็นได้เรื่องได้ลาวเี็นการก่อสร้างเป็นต้นให้พึงพากันมัดระวังให้ถึงใจเรื่องอย่างนี้นี่เป็นค่าสึบต่องานแก้งานถอดถอนกิเลสกลายเป็นงานสั่งสมกิเลสขึ้นมาสำหรับผู้มุ่งความพ้นทุกจะไปไม่รอด มีแต่ความกังวลวุ่นวายกับอิดกับปูนกับหินกับทรายกับเหล็กกับไม้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกจเจริญหรือเสื่อมเราก็เห็นอยู่แล้วนี่คือวัตถุหินปูนทรายเหล็กไม้ไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากขาดแคลนในโลกอันนี้ถ้าจเจริญก็จเจริญกันมาแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกแม้จะไม่เสกสรรปั้นยอหรือปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็น บ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างก็าตามสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่กับพื้นแผ่นดินนี้อยู่แล้วควรจะทำมนุษย์และพระเราทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานานไม่ควรจะมาดัดแปลงแต่งกิจใจของตนให้มีอะไรต่อไปอีกเพราะสิ่งนั้นเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นของมีเสียดีโสไปแล้วนี่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นจึงยาพากันตื่นในสิ่งที่ไม่ควรตื่น พระพุทธเจ้านำพระาศาสนาออกมาสั่งสอนโลกไม่เด็นำเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กออกมาสั่งสอนโลกโลกเขาไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เก่งกล้าสามารถในเรื่องผิดหรือในเรื่องเป็นช่างก่อสร้างในเรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องลาวัตถุเครื่องก่อสร้างเหล่านั้นคาว่าพุทธังสังคัฉามิเขากราบไหว้ ดวงพระไทยที่บริสุทธิ์บิมุตต์หลุดพ้นเป็นธรรมแท่งเดียวกันแล้วกับพระไทยนั้นต่างหากธรมังฉนังคัจฉ า, ามิความสว่างกระจ่างแจ้งคือพระธรรมที่เต็มอยู่ในพระไทยของพระพุทธเจ้านั้นต่างหากสังคังฉนังคัจฉามิเขากราบพระสาวกทั้งหลายกราบที่ใจของท่านบริสุทธิ์บิมุตต์หลุดพ้นอัอนเป็นของวิเศษไม่มีแดนสมมุตินี้ อยู่ในแดนสมมุตินี้แม่น้อยจะเทียบเคียงความบริสุทธิ์พิเศษนั่นได้เลยเขากราบท่านทำของท่านดวงทรรมของท่านที่บริสุทธิ์นั่นต่างหากเขามาได้มากราบอิกกราบปูนกราบหินกราบสายกราบเปล็กหลาอะไรเหล่านี้นี่เป็นของมีอยู่กับโลกเรามาปฏิเสธว่าไม่ทม แต่ให้ทราบว่าปัจจัยสี่นั้นคืออะไรปัจจัยแปลว่าอะไร ป, ปัจจัยแปลว่าเครื่องอุดหนุนเครื่องบำบุงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปได้เป็นเครื่องเดียวยาปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างนั่นเป็นของวิเศษและเหลือฟังว่าปัจจัยปัจจัยเป็นแต่เพียงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้น กีวอเครื่องนุ่งห่มก็พอได้อาศัยให้เป็นไปวันหนึ่งนหนึ่งไม่ถือว่าเป็นของวิเศษการมาปฏิบัติมาบวชในศาสนามาปฏิบัติก็มาปฏิบัติเพื่อถือกีวรว่าเป็นของวิเศษ <c oughs> บินธาตาก็พอยังอัตภาพให้เป็นไปนี่ก็คือปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างอาหารการบริโภคพอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเพื่อการบํเาเพ็ญสมนธรรมอันจะถึงแดนแห่งความุดทน ซึ่งเป็นธรรมวิเศษนั้นเท่านั้นเสนาชนะที่อยู่ที่อาศัยนฟังสินี่ก็เป็นปัจจัยแต่ละอย่างเลยอย่างาากีฬาณเพสัตยาแก้โรคแก้ภัยก็เพียงเป็นปัปจจัยเครื่องกําจัดปัดเตาโรคภัยแค่เจ็บซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายพอบรรเทาหรือแก้กันไปได้ไปตามลําดับลําดาพอที่จะเป็นไปได้บ้างเท่านั้น ไม่ถือปัจจัยทั้งสี่นี้เป็นของวิเศษวิโสเหตุใดเราเป็นนักปฏิบัติจึงมาถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของวิเศษวิโสไปเสียหมดถือปัจจัยเหล่านี้วิเศษวิษวโสยิ่งกว่าแดนแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มันขัดกันมากน้อยเพียงไรพากันพิจารณาให้ถึงใจนี่แหละปัจจัยสี่นี้เราเป็นมนุษย์มาจากบ้านจากเรือนแต่สัตว์เขาก็ยังมีรวงมีหลัง ถ้ามาจากมนุษย์มาจากคนเขาย่อมมีที่อยู่ที่อาศัยจึงเรียกว่าปัจจัยสี่นะพอได้อาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของวิเศษวิโสพอที่จะตั้งหน้าตั้งตาฮึกเหมิมกันจนลืมเนื้อดืมตัวลืมอัดลืมธทมลืมการแก้ขิเหล็ดลืมงานของตนในการแก้ขิเหล็กเพื่อความบุดพ้นเพื่อความประเสริฐไปเสียหมดนี่มันก้าวไกล หลักธรรมของพระเจ้าขนาดไหนให้พากันพิจารณาด้วยดีนี่ที่เป็นห่วงหมู่เพื่อนมากจึงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่พากันยุ่งกันไปหมดเพราะจุดเหล่านี้แต่จุดสําคัญที่จะให้วิเศษวิโสภายใน จ, ใจิตใจมีความร่มเย็นมีความสงบมีความผ่องใสมีความสง่างามภายในตน จนกระทั่งถึงสว่างกระจางแจ้งแทงทะลุไปหมดบรรดาขีเลศไม่มีเหลือเพราะอํานาจแห่งความเพียรคือเดินเต็มลมนั่งสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเป็นความบกพร่องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่ไม่สนใจแล้วเราจะเอาแดนพ้นทุกมาจากที่ไหนนี่แหละจุดแห่งความวิเศษอยู่ที่จุดนี้งานนี้งานเพื่อความวิเศษพิโสงานปราบปรามสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอยู่ภายในใจิตใจ ให้หมดชิ้นไปด้วยการประกอบความเพียรแล้วถึงแดนแ ห, แหแ่งความพ้นทุกข์วิเศษีโสดังพระพุทธเจ้าพระสง์สาวกทัรร้งคืองานเหล่านี้เป็นสำคัญให้ถือขอเป็นข้อหนักแน่นประจำจิตใจอย่าไปสนใจอะไรมากนักกับสิ่งภายนอกที่เพียงได้อาศัยอาศัยที่เรียกว่าปัดใจปัดใจเท่านั้นให้เข้าใจไม่ใช่เป็นของวิเศษของวิเศษดังที่กล่าวมานี้ พาการตั้งหน้าตั้งตาอันหนักก็หนักกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเรามาหนักขนาดไหนกี่พบกี่ชาติถึงขนาดล้มหายตายจากกันไปอยู่ตลอดเวลาในพบชาตินั้นๆเกิดมาก็ทุกข์ลำบากลำบนแสนสหาหัสก่อนที่จะเกิดมาแต่ละพบชาติการทรงตัวอยู่ในพบชาตินั้นๆก็ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของกิเลสเป็นสาเหตุทั้งนั้นการตายก็ได้รับความทุกข์ความทรมานจนถึงวาระ คือสิ้นสุดกันในความสืบต่อของธาตุของขันเรียกว่าตายก็ทุกข์ไปโดยลําดับตลำดาแต่เชื้อที่มีอยู่ภายในใจยังมีอยู่อาตายนี้ก็ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นี่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุมดํารอนเพราะอํานาจแห่งกุศลและอกุศลที่เคลือบแฝงกันไปเป็นมาอย่างนี้ตลอดกาลเราสงสัยอะไรเรื่องพบเรื่องชราบเรื่องการเกิดแก่เจิดตายมันจะพิเศษพิโสอะไรไป ยิ่งกว่าความเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ชร า, าก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เท่านั้นมีอะไรประจําความเกิดก็ เ, เป็นความสุขจึงพอเป็นเหตุให้เราไม่ตื่นเต้นหรือไม่ตกใจไม่หวาดเสียวไม่กลัวพิษภัยเหล่านี้ที่บีบบังคับขยี้ขย่อเรามาทุกภพทุกชาติพอที่จะเกิดความหมาดเสียวพอที่จะเกิดความเฉลียวหลบับแล้วประกอบความภาพเพียร ให้เน้นหนักลงไปทุกวันทุกเวลาด้วยความเห็นไทยในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นและด้วยความเห็นคุณในความหุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยความภาคเปลี่ยนของตนทัานนี้เราทําไมจะทําไม่ได้หนักขนาดไหนแล้วเกิดเจ็เจ็บตายในโลกมานี้หนักขนาดไหนการเกิดเจ็เจ็บตายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นไม่ปรากฏว่าเป็นความสุขเลย นักเวลาประกอบความภาพเพียงเท่านี้ทําไมจะเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นความลาําบากแล้วเราจะหาแดนพ้นทุกข์ได้ที่ตรงไหนจุดตายเป็นจุดที่เราจะเกิดความอบอุ่นมั่นใจถ้าไม่เกิดขึ้นจากความเพียนความพยายามความหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้ไม่ถอยดังตายเอาดาบหน้านี่แหละคือลูกศิษฐถาคตโถมอย่างนั้นถือจิตนี้เป็นสําคัญนี่แหละแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ตรงนี้ เาพิจารณาลงไปสติปัญญามีได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นผู้สนใจใคร่ต่อการพิจารณาตามอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาแล้วเราอย่าถอยหลังต้องเป็นนักต่อสู้เสมอยิเรศชอบที่สุดกับคนอ่อนแอคนขี้เกียจขี้คลานชอบกับสัตว์ประเภทนี้เพราะได้อยู่บนหัวสัตว์ประเภทนี้ที่เห็น ตแต่ไม่ชอบผู้ตีฝากฝืนกิเลสเพราะความฝากฝืนนั้นเป็นเรื่องธรรมเป็นค่าสึบต่อกิเลสกิเลสจึงไม่ชอบสิ่งใดที่กิเลสไม่ชอบเรามักจะไม่ชอบถ้าสิ่งใดกิเลสชอบเรากลับไปชอบตามมันนี่จะเรียกว่าเราทวนกระแสกิเลสได้อย่างไรกเร็เรียกว่าการมอรบร่ากกับกิเลสทุกอิริยาบถ ท, ทุกอาการที่เคลื่อนไหว แล้วจะหาทางพ้นทุกข์ได้ที่ไหนเมื่อไม่มีการต่อสู้ไม่มีการท้ออาทายไม่มีการฝ่าฝืนกันบ้างพอเป็นเครื่องหมายแห่งธรรมหรือพอเป็นเครื่องหมายแห่งความเพียรเราจะหวังแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้ที่ไหนนี่ต้องพิจารณาต้องบวกลบคูณหารในตัวเองอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเสียเวลาเวลาไปเปล่าๆทาไมสติปัญญา ซึ่งเป็นของมีอยู่ควรจะคิดค้นขึ้นมาได้ทําไมไม่คิดไม่ค้นปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ทำทําลายนอนจมอยู่ในผักสมควรแล้เหลือกับเราเป็นนักปฏิบัติว่มามากําจั ด, ดกิเลสกลายเป็นกิเลสําจัดเราอยู่ทุกเวลามันเข้ากันได้แล้วเหลือกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านํามาคิดมาค้นมาเทียบเคียงให้เป็นที่เข้าใจตัดสินใจลงโดยถูกต้องตามหลักธรรมกิเลสจะค่อยหมอกรากไปโดยลําดับไม่มีอะไรที่จะเหนือกิเลสไปได้ นอกจากทำเนี่ยเป็นของสำคัญพากันตั้งอกตั้งใจการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีขอบเขตเป็นแต่เพียงว่าอธิบายให้ฟังเป็นกลางๆแล้วแต่อุบายของแต่ละระดารลดาๆจะนำบาพิจารณายยแยกแยะตนเองพิกหน้พาพลิกหลังย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาหลายตลบทบทวนหาเกิดอุบายอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเวลาจะทำความสงบก็ให้จริงจังกับความสงบ งานจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้มีความจริงจังกับด้านปัญญาจริงๆอย่าทำแล้วหล่อแหลกเหลวไหล ๆ, ๆ, ๆ, ๆใช้ไม่ได้ผิดกับทางของผู้ติดใจรื้อถอนตนออกจากทุกข์ในวัตฏะทุกขารด้วยความเพียรความเพียรคือความมีสติเป็นสําคัญคําว่าสตินี้วางไม่ได้ต่อยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดภายนอกภายในสติเป็นสําคัญมากยิ่งเกี่ยวกับด้านจิตตภาวนาด้วยแล้วไม่ว่าจะเติงสมถต ไม่ว่าจะเป็นนิปัสนาสติเป็นของสําคัญมากเราเห็นคุณค่าของสติเต็มหัวใจจึงได้นํามาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่สะทกสถานเพราะได้เคยเป็นมาแล้วขาดสติล่มลุกคลานก็เคยเป็นมาแล้วตั้งสติอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีเวลาเผลอและไม่ได้คิดว่าตนได้ตั้งสติแต่กลายเป็นสติตลอดเวลานับแต่ขณะที่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนไม่อาจ จะจับได้ว่าตั้งแต่ขณะตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ที่ยังไม่เน่ยเราได้เผลอตรงไหนบ้างไม่มีเลยอย่างนี้ก็ได้เป็นมาแล้วทําไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่เวลาล้อมดูคุกคราภมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเมื่อได้อาศัยการฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ําเสมอด้วยความเข้มแข็งความในความภาคเทียมเพราะความมุ่งมั่นเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากไปมันก็มีความแต่กล้าสามารถขึ้นมาจนถึงขนาดว่า หาช่องว่างไม่ได้ว่าสติได้ขาดไปตรงนั้นตรงนี้นี่เราจึงได้เชื่อในหลักธรรมของดิจ่าที่กล่าวไว้ในทัง้งพุจการและติดมาตามตำหนักตนาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่ามหาสติมหาปัญญาหมายความว่าอย่างไรการอ่านการเรียนการจดจํามานี้ไม่ใช่ความจริงการประสบพบเห็นด้วยความภาคเพียรของตนจริงๆนั้นเรียกว่าความจริง การประจักษ์ด้วยตนเองเพราะความเพียรของตนได้ประสบเองนั้นหาที่สงสัยไม่ได้เช่นอย่างว่ามหาสีมหาปัญญาคืออย่างไรเพียงความจำเท่านั้นต้องขาดต้องหมายเปไ็นจะหาความจริงไม่ได้เมื่อความจริงได้เข้าถึงไหนหายสงสัยไปโดยลำ ด, ำดับๆทีนี้จนถึงขั้นว่ามหาสีมหาปัญญาหมดปัญหาเป็นยังไงมหาสิมหาปัญญาก็เป็นดังที่รู้ๆอยู่นี้นะ ไม่เผลอไผลไปไหนตั้งไม่ตั้งก็าตามสติปัญญาติดแนบกันอยู่ตลอดเวลาเป็นสติปัญญาอตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวไปด้วยกโดยหลักธรรมชาติของตนเพราะกิเลสประเภทต่างๆเป็นเชื้อที่ใช้สติปัญญาลุกลามตามติดไปโดยลําดับัจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทต่างที่สุดลงไปหมดลงไปหมดลงไ ป, งไปสติปัญญานี้ยิ่งตามลงไปถึงขั้นที่ว่ากิเลสตัณหาอวโลกุตุกประเภทแม้สุดอวิชชาปฏิยาสังขาร ได้แตกกระจายไปจากจิตใจหมดแล้วการใดการนั้นแหละคำว่ามห า, หาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปนี่เพราะเหตัไรคือหมดหน้าที่เพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญานั้นก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกับกิเลสกิเลสละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดเครื่องต่อสู้กันเครื่องฟาดฟันทแหลกนเป็นคู่ปรับกันพอสมมติประเภทนั้น อันเป็นฝ่ายผูมักสิ้นสดลงไปฝ่ายแก่ก็สิ้นสุดลงไปด้วยกันก็ทราบภายในตนเองนั่นท่านว่าเรียกว่าความจริงให้เห็นอย่างนั้นเฮเมื่อหายไปแล้วไปไหนมหาสติ ป, ปัญญาปัญญาไม่ต้องถามหาไปทําไมหลงไปอะไรจึงต้องถามหาสติ ป, ปัญญาประเภทนั้นสติ ป, ปัญญาประเภทนั้นก็เหมือนกับเครื่องมือประเภทนั้น น, นสําหรับทํางานชิ้นนั้นชิ้นนั้นชิ้นนั้นเมื่องานชินนนช้นนั้นชิ้นนั้นสําเร็จลงไปแล้ว ถามมาเครื่องมือประเภทนี้ไปไหนทําไมเจ้าของเป็นผู้ปล่อยเองวางเองเพราะงานนั้นสําเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วรู้ชัดเจนอยู่กับเจ้าของสงสัยไปทําไมค้นหากันอะไรอีกผลของงานคืออะไรก็รู้อยู่แล้วนี่นั่นผลของงานที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้านี่คืออะไรก็คือวิมุตต์หลุดพ้นแล้วจะไปแก้ไขไปทําอะไรกันอีกสติปัญญานั้นมีไว้อะไรมีไว้เพื่อแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นสุดลงไปแล้วอันนั้นจะมีไว้อะไรทําไมการ ถึงข้าที่จะเราจะคิดจะค้นจะพิจารณาอันเป็นสมมติแต่ละขั้นนั่นตอนนี้มาก็ใช้กันปตามธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปดับไปเพราะสิ่งนี้เป็นสมมุติด้วยกันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ว ร, รู้แท้รู้จริงนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากจากอาการทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกสมมุทนานิโรธมากจึงเป็นเพียงสมมุติด้วยกันทั้ฝ่ายผูกฝ่ายมัดกับฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนเท่านั้นผู้ที่เป็นธรรมชาติอันแท้จริงนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้ ทุกให้กําหนดรู้ก็รู้เป็นกิริยาหนึ่งสมูไทยแดงผิดทุกข์ขึ้นมาก็เป็นอาการอันหนึ่งการดับชมูไทยกับทุกข์มันก็ไปพร้อมกันด้วยมัคคือสติปัญญาตัฏฐาความเขี่ยนเป็นต้นนิโรธความดับทุกข์เมื่อมัคมีกําลังเต็มที่ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงกิริยาแห่งการดับท่านเรียกว่านิโรธ ผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยโลดมากทํางานเสียกินลงไปแล้วคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจธรรมให้เห็นจริงอย่างนั้นแล้วสงสัยไปไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างไรสงสัยอะไรพระสาวกท่านบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้อย่างไรท่านฆ่าที่เด็ดตาท่านฆ่าแบบไหนท่านฆ่าด้วยอะไรสงสัยอะไร เพราะเราก็ทําอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นความจริงเสมอกันแล้วสงสัยท่านหาอะไรนั่นเรียกว่าความจริงเติมสัดเติมส่วนนี่พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กับของพระพุทธเจ้ากับของสาวกกับธรรมชาติที่เรารูบเห็นแต่อยู่เต็มหัวใจนี้ผิดขันอย่างไรบ้างอ้อมสงสัยกันอะไรนั่นจึงเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงเนี่ยทำตรงจริงต้องรู้จริงเห็นจริงไม่เป็นอื่น ขอให้ทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจฟาดฟันหันแหละลงไปยาเสียดายชีวิตอย่างไรมันก็ต้องตายก่อนตายให้ได้ฟาดฟันหันแหละกับพิเดษให้ได้ชัยชนะเสีอก่อนร่างมันจะไปเมื่อไหร่ก็พยามาจุราชที่ตามสมมติว่าพยามาจุราชอันเป็นเสือนายใหญ่นั้นมันจะมาร่างการนี้ไปให้มันได้จะกากเมืองไปเออตัวจริงสมบัติอันล้นค่าถอนตัวออกมาแล้วได้แต่กากเมืองไปเท่านั้นความพิลไยเสียดายอะไรไม่มี พอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตั้งแต่ยังไม่สิ้นไม่สุดไม่ตายพูดในงนั่นจึงเรียกเป็นคนฉลาดนี่ได้พูดถึงเรื่องงานอันจำเป็นของสมณะเราคือโดนจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหาความสงบใสจิตใจหาความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจขอให้งานนี้สำเร็จเต็มหัวใจเถิด การทำประโยชน์ให้โลกนั้นจะไม่มีผู้ใดที่จะทำได้มากยิ่งกว่าผู้รู้แจง้งเห็นจริงเป็นความสมบูรณ์ูนผลภายในจิตใจอย่างเต็มที่แล้วเป็นผู้ทำประโยชน์าการทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการช่วยโลกการก่อนั่งสร้างนี้การไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนคนนั้นคน น, นี้เป็นการช่วยโลกโดยที่เราไม่สนใจจะสร้างหัวใจของเราให้ดีวิเสีศษวิโส ข, ขึ้นมา โดยที่เราไม่สนใจที่จะสั่งสอนตัวของเราให้เป็นจิตพระดีจิตใจดีขึ้นมาแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ดิบให้ดีให้มีเสียสิ้นโสได้อย่างไรนะเอาตรงนี้เท่านั้นขอให้ทําจตัวนี้ให้ดีเถอะทาจิตจตัวนี้ให้มีหลักมีแรงให้เต็มภูมิการทําประโยชน์ให้โลกจะเห็นประจักษ์ไม่สงสัยไม่มีผู้ใดจะทําประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าผู้มีจิต ก็จางแจ้งด้วยอัดด้วยรำเต็มไปด้วยมรดกโดยผลเต็มไปด้วยมหา ส, ม บ, ม, หาสมบัตินี่เลยมหาสมบัตินี่แหละเอาไปแจ ก, กสัตว์โลกได้รับความมเย็นตลอดมาดังพระพุทธเจ้าทรงประทานให้สัตว์โลกจนมาทั้งกระทั่งปัจจุบันนี้ออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาจากดวงพระไทยที่บริสุทธิ์หมดตกของพระองค์นั้นนะที่จะมาให้ดีเอาให้จริงให้จริงอย่าหลงไหลไปตามเรื่องโลกสมมตินิยม พระพุทธเจ้าไม่พ่านหลมทรงสอนให้รู้ทุกแง่ทุกมุมคนมายาของกิเลสปัญหาอาสวะที่เรียกว่าเป็นคนมายาของโลกภายในหัวใจของเราก็ถูกเอาให้รู้คนมายาภายในจิตใจจึงเชื่อเป็นผู้ฉลาดฉลาดใดก็ตามถ้าไม่ฉลาดในคนมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่เรียกว่าคนฉลาดถ้าฉลาดตรงนี้แล้วอยู่ไหนก็ฉลาดไม่มีใครมาเสกสรรก็พอตัวใครชมเชยสนรเสริญติฉินมินทาก็พอตัว ไม่เอื้อมไม่จับไม่รูปไม่คลำไม่ฟ้าเพราะพอตัวแล้วด้วยความฉนาดแล้มผมพอตัวแล้วด้วยความสมบูรณ์พูนผ ล, ผลในมักในผลเต็มตัวอยู่ภาในจิตใจในี้แล้วด้วยการประปฏิบัติอย่างเอากินเอากลางเราเป็นลูกศิตย์ตาคตไม่ใช่เป็นจะมาแสดงความอ่อนแอมาสังสมความอ่อนแอทอแท้รัวกิเดตัญหาอาสะวะไม่ถูก อเอาให้จริงให้จังหนักเบาก็เป็นเรื่องของเราจะต้องเป็นผู้รับเองกิเลตตัวไหนมันพาให้หนักเวลานี้ถ้าไม่อยู่ในหัวใจนี้ทุกประเภทอยู่ในนี้หมดแก่กันตรงนี้มันจะหนักไปไหนกิเลตทําไมไม่หนักนจะสลับกิเลตออกจากหัวใจด้วยความเพียรทําไมไปถือว่าหนักทําไมไปสําคัญผิดไปนี่คือเครื่องดอกเราได้จากกิเลสให้รู้เสียว่ากิเลสมันหลอกอย่างนี้เอาให้จริงให้จังเราเป็นนักปฏิบัติ ไม่ถอยหลังเราจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นที่ใจของเราคาพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จังพิจารณาข้างนอกข้างในเทียบเทียมกันนะทุกสทัทุกส่วนรูปเป็นของสําคัญมากสําหรับกิจขั้นใหญ่ที่ต้องพิจารณาคลี่ครายจนรู้แจ้งเห็นจริงในรูปแล้วส่วนเวทนาสัญญาทั้งขววิ ญ, ญาเครื่องมือคือสติปัญญาจะมาเองพอเหมาะพอสมกับนามามเหล่านี้จนกระทั่งถึงกิเลสที่รวมตัวอยู่ภายในจิตสติปัญญาขั้นนั้นก็จะมี มารพร้อมๆกันจงกระทั่งถึงกเกลียดหลุดลาไปหมดไม่มีเหลือภายใจิตใจเลยนั่นแลเป็นแดนของความทุกข์นั่นแลผลที่เราต้องการนั่นแลผลอันประเสริฐที่เรามุ่งหวังหรือมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาจะเห็นมหาสมบัติอันล้นค่าอยู่ภายใจิตใจของเราแล้วปล่อวางโดตปรการทั้งปวงไม่สงสัยในสิ่งใดบรรดาโลกสมมุติอันนี้เมื่อได้เห็นธรรมชาติอันประเสริฐ อยู่ภายใจิตใจนั่นแล้วนี่มีเท่านั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสนใจอย่าเข้าใจว่าสินใดดีในโลกธาตุนี้นอกจากดวงธรรมคือความพ้นทุกนี้เท่านั้นภายใจิตใจของเหล่านี้เป็นของวิเศษขามักคขมันตรงทิ่ตรงนี้พระพุทธเจ้าประเสริฐที่ตรงนี้ประเสริฐด้วยความเพียรแก้สิ่งที่อยากโกลนทั้งหลายอยู่ภายใจิตใ จ, จนี้ออกแล้วกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาที่ตรงนี้ กรเสิดขึ้นมาด้วยงานดังที่กล่าวมาแล้วนี้ให้ยึดเป็นหลักจิตหลักใจยึดเป็นหลักเป็นห ล, หลักตายกับที่ตรงนี้จะเห็นแดนแห่งความพ้งทุกข์ขึ้นมาในวันหนึ่งโดยมาจ้องสงสัยอาการชนิดางก็เห็นม่าสมควรละเขียนหน่วยเรื่อไปหน่อย